ตาคิดว่าทนไม่ไหวแล้วต้องบริจาคคุณยายหมายความว่าทําให้ไปเส้อให้พ้นก็ง่ายนิดเดียวเพราะยายแกเป็นคนหัวดือ้อบอกว่าวันเนี้ยอย่าไปป่าเลยยายก็พูดว่าจะไปไปแล้วก็อย่าไปใกล้เหวนะกูจะยิงไปอย่าทูลหินหนักๆเข้าไปนะกูก็จะยิงทูลก้อนเบอ้อ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 แม้บ้านอยู่ไกลกันก็ยังวิ่งมาดูผีเห็นตาเดินมาแต่ไกลมันก็กลัวเพราะมันผิดสัญญาเหมือนกับคนทำผิดเห็นตารวจมาก็ไม่ได้คิดอะไรนอกจากหนีท่าเดียวเท่านั้นมันเป็นความเขลาชนิดหนึ่งมันจึงออกวิ่งโถงๆให้ตาเห็นนอกจากคนที่ถูกสิงไม่เห็นตาเห็นผีตัวนี้ที่ผิดสัญญาจึงเอาไมา้ไล่ตี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 กระทั่งของเสพติดน้อยๆมาได้บุหรี่น้ำชากาแฟกระทั่งในตบันมาของคุณยายนี่ก็ละได้ง่ายๆเมื่อไรลองคิดดูทีนี้สิ่งที่ยั่วยวนต่างๆสวยงามสนุกสนานทางวัตถุทางเนื้อทางหนังนี้เมื่อน้ำมันผีลงมันก็เหมือนอย่างที่ได้บอกว่านักเรียนบางคนต้องเอาปกากกาปลอกทองไปขายไปซื้อพวงมาลัยมารามวงบ้าง เอาไปให้ครูสอนเต้นรำบ้างแล้วบอกที่บ้านว่ามันหายขอเงินไปซื้อที่เราเ็วมาใช้อย่างนี้มันเป็นได้ถึงขนาดนี้นี้เพื่อแสดงถึงน้ำหนักว่าบิดามารดายิางถูกต้มถูกลวงก็เพราะอำนาจของน้ำมันผียังมีลทัทธิที่เรียกว่าด็อกมทัทิซึมอะไรก็ตามคือลทัทธิถือหลักตนเองการคิดว่าความเห็นของตนเองถูกต้อง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 หรือลัฐทการเมืองที่ไม่เป็นที่ปรารถนาย่างยิ่งนี้ก็ยังมีคนหลงติดถึงกับเสสละชีวิตบูชาอุดมคติบ้าบ้าบบๆนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าน้ามันผีที่มันกระเด็นไปตกนั้นก้อนมันใหญ่เกินไปรวมความว่าเมื่อก่อนนี้เราไม่มีสิ่งซึ่งเป็นอันตรายของสังคมอย่างนี้เราจึงอยู่กันด้วยความผาสุกแต่พอต่อมาเดี๋ยวนี้